พิจารณาบุญของพระพุทธเจ้าเมื่อเช้าเนี่ยนอนพิจารณาโอ้โหพิจารณาไปยิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอิสริยาของพระองค์ความเป็นใหญ่หนูสมบูรณ์แบบอิสระด้วยเป็นใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือโลกุตระธรรมก้าทังด้านของคุณธรรมคนเราเนะี่ยขนาดว่า มรซีผล4ีนิ้พานหนึ่งที่ได้หมดนี้และเป็นผู้ที่คิดในการที่ตัดรู้ได้เองด้วยแสดงว่าเหตุปัจจัยสร้างมาเป็นอย่างดีฐานทะความประสงค์ของพระพุทธเจ้าสำเร็จมากทั้งด้านของกามทั้งหลายเนี่ยความปรารนาอะไรต่างๆ่างเนี่ยโอ้สมบูรณ์แบบและได้ตามวัตถุประสงค์พขาบทานอกุศลที่พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสมมาเสียสงขา ย, ย, ยิ่งยิ่งด้วยแสนกลับ ไปดูในเรื่องการสร้างบารมีของพระองค์หนึ่งพิจารณาดูปรินิพานไปแล้วยังเหลือถามว่าที่พวกเราปาลบทำ บ, บุญกันเนี่ยเพราะเราปาลบทำ บ, บุญเพราะมีพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าท่านผู้นั้นไม่เคารพไม่สักการะไม่บูชาพระพุทธเจ้าคิดว่าเราจะไปบูชาไหมเราก็ไม่บูชาเห็นไหมนั่นบุญของพระพุทธเจ้าที่เราไปสร้างบวชสร้างวิหารหรือไปทําบุญตามที่ต่างๆนั้นเพราะมีพระพุทธเจ้าถ้าท่านบุญนั้นบอกว่าไม่แล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้ว่ายพุทธเจ้าหรอกข้าพเจ้าคิดของข้าพเจ้าเองแต่เชอญีมาสร้างอย่างเงี้ยต้องคิดดูจะได้สักเท่าไหร่ต้ง น, นอนอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและในประเทศต่างๆที่เาคารพนับถือและปัจจัยที่ยังเหลืออันี่เป็นเศษบุญของพระุทธเจ้าที่ยังเหลืออยู่นะยังมากมายถึงป่านนี้ยังเป็นบุญตาบุญใจแก่กลุ่มของสัมมาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายได้ชื่นชมได้อนุโมทนาได้เห็นถึงเพียงนี้ว่าไงดู เนี่ยเวลามาเห็นนี่เราเนื้อหูเรานี่อาศัยใบบุญของพระพุทธเจ้าเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะในการที่เราได้อยู่ได้อะไรต่างๆได้มีโอกาสเจริญบุญประพฤติปฏิบัติเนี่ยเอางั้นนะใช่ไหมยอมตุ๋ยลองมาเนึกอโดยดีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยยอมตุ๋ยกับฉันไม่ได้มานั่งสนทนากันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้สนทนาวิถีกันตอนเย็นๆนะจะไม่มีไว้ตรงนั้นเลยแหละใช่ไม่ใช่ บอโอ้โหขนาดเรื่องทานกุศลของพระองค์ขนาดนี้แล้วไม่ใช่ผลของทานกุศลอย่างเดียวนะืผลของทั้งด้านของไอทานบา ร, รมีอย่างเดียวปัญญาบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีขันติบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีครบหมดเลยให้มีพระธรรมที่เราศึกษาเนี่ยลองคิ ด, ค, ดคิดดูเถที่เราได้ศึกษาพระธรรมได้รู้พระธรรมได้ตรึกได้พิจารณามีสิ่งนําแนวทางให้มันถูกบ้างเนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นคุณของพระเจ้าโอ้โหนะยิ่งใหญ่นะ นว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าถามบอกว่าอาศัยใบบุญของพระพุทธเจ้านี่พระอยู่กันได้เป็นล้า น, นแสนเป็นล้า น, ล, านล้านเนี่ยถ า, าในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่กันสักสามล้านรูปก็อยู่ได้อยู่ได้สบายๆเลยเนียลองลองลอ ง, ลองมาอยู่โดยฐานะเป็นพระโดยทีเพียงแต่เข้ามาที่จะมา ป, ป, ป, ป, ปฏิบัติต า, ามใบบุญของพระพุทธเจ้านี่เรื่องปัจจัยสีน่นี่ไม่ต้องไปดิ้นรนเลยเนะใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเพราะว่าอาศัยอะไร บุญของพุทธเจ้าทีนี้ว่าไม่ใช่บุญของพุทธเจ้าหมดแต่คนที่จะมา ไ, ได้ได้มาชื่นชมบุญของพุทธเจนะ้าน้อยลงบุญของพระเจ้าน่ะไม่หมดแต่คนที่จะมาได้ชื่นชมบุญของพรนะเจ้าเนื่องเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงพะมาก็มองไม่เห็นว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้สัมมาทิฏฐิทำให้บุญเป็นต้นเกิดได้อย่างไรว่าไง น, นี่เป็นอย่างนี้นมต่อไป ดูในแง่ของปฏิสนธิและผวังและจุติที่เป็นไปในทวารทั้ง6ดังที่ได้กล่าวมีการเกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัสสะที่เกิดขึ้นร่วมกันมโนสัมผัสสะถามว่ามโนสัมผัสสะนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับเวทนาถามว่าในขณะที่เวทนาเกิดขึ้นผัสสะเกิดไหมผัสสะก็เกิดฉะนั้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นในปฏิสัมใน ในขณะทางตถารมนะในขณะทางตทารมนะเนี <paw> ่ยมโนสัมผัสสะอันนั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยให้กับมโนสัมผัสสชาเวทนาสรุปก็คือภาสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาทั้งจักขุทวารได้ไหมได้ทางโสตัทวา a n คานาท a w a ชิวหาทวา a กายะท awan และทางมโนทวา a ได้ไหมตถารมนะนี่เกิดทางมโนทวา a ได้ไหมเกิดทางมโนทวารได้ตทารมนะนี่นะเกิดในทางมโนทวา a ได้ฮะทาไมนะ รับอารมณ์รับอารมณ์ต่อจากโชนะในปัจจุบันอย่างยกตัวยอย่างเช่นอย่างนี้ในขณะที่ได้เห็นสีหรือได้ยินเสียงนะในขณะนั้นนะ่อารมณ์ที่ชัดที่สุดอารมณ์ที่แรงนะอารมณ์ในกลุ่มพวกนั้นนั่นแหละจะเป็นปัจจัยให้ได้แตทาลัมนะนี่เป็นวิบากใช่เป็นวิบากของบุญและเป็นบาปแตทารมนะเป็นวิบากของบุญและเป็นวิบากของบาปถามว่าแตทารมนะจะเกิดขึ้นกับใครบ่า เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกิดในกามภูมิห่ือเกิดกับใครอีกบอกว่าจะรับอารมณ์ก็ต้องรับกามมะอารมณ์เขาเป็นกามธรรมใช่ไหมเวลาจะเกิดขึ้นมาเขาก็รับอารมณ์ที่เป็นปรมัาทเท่านั้นไม่สามารถที่จะรับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้เขาต้งบอกตทารมนะนี้จะไม่เกิดในฌานนะวิไม่เกิดในรูปภูมิรูปภูมินะไม่เกิดเลยตทารมนะเวลาจะเกิดขึ้นมาไม่เกิดต่อมหาคตเต ไม่มีมากกตาเป็นอารมณ์ไม่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ว่างงินถ้าจะมีก็มีประมัดนี่แหละเป็นอารมณ์มีรูปบ้างมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างมีรสบ้างมีสัมผัสบ้างนี่จะเป็นไปในลักษณะเช่นนั้นไม่เกิดต่อมากควิ่ีอภินญาวิถีไม่เกิดพวกนี้เลยนะว่าเงิน เขาต้องบอกว่าการมาบุคคลการมาชาวนะถ้าเราจะเกิดต่อก็เกิดเกิดต่อจากการมาชวนาชาวนาเป็นกรรมกรมตั้งหลายเนี่ยนี่ลักษณะของตทากรรมนะแต่ตทากรรมน่ะเกิดขึ้นในลายมีเวทนาไหมมีเวทนามีผัสสะด้วยทีนี้เพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับใช่ไหมอะไรเป็นเหตุของเวทนาบอกเวทนาทางตาเวทนาทางหูเวทนาทางลิ้นเวทนาทางจมูกทางลิ้นเวทนาทางกายแล้วก็เวทนา ทางใจพรรษาเกิดเวทนาเกิดพรรษาดับเวทนาดับอริยมรตมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงการดับของเวทนาตรงนี้ต้องใส่เวทนาโดยนึงต่อไปขึ้นพรรสวาระใน122นะีในข้อ12 2ยหน้า ห้าร้สองพิกษุเหล่านั้นกาเปลียนถามได้ท้าวเหตุปริยายอย่างอื่นยังมีอยู่หรือที่จะทําให้พระริยาสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแขนได้มาสู่พระสัตธรรมก่าวคือโรกุตรธรรม9เนี่ยท่านพระสารีบุตรบอกว่ายังมีอยู่คุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดผัสสะเหตุให้เกิดผัสสะความดับผัสสะรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งผัสสะ แม้เพียงเท่านี้และคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่มใสในธรรมไม่ครอนแคนได้มาสู่ภาษาธรรมนี้แล้วก็ถามอกว่าภัษาเคืออะนแล้วคุณภาษามี6อย่างนี้คือจากขู่สัมผัสสะโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเพราะสรายตนาเกิดภาษาจึงเกิดเพราะสรายตนาดับภาษาจึงดับ อริยมรรคมีองค์แปดนี้เป็นข้อปฏิดับเลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับดับผัสสะนะอริยมรรคอยงแปดเนีเป็นข้อดับผัสสะให้ถึงความดับของผัสสะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปฆาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิคุณเมื่อเริยสาวกู้ชัดผัสสะอย่างนี้เหตุเกิดผัสสะความดับแห่งผัสสะ รู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งภาษาเมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยได้จะละราคานุสาัสบันเทาปฏิคานุสยัยถอนมานาทิฏฐิแล้วก็ละอวิชาได้โดยประกาศและทั้งปวงยังวิชาคืออาลาธรรมให้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้คุณอริยาสาวกมีความเห็นถูกต้อง มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนได้มาสู่ในพระสัตธรรมนี้เออไปดูผัสสะนะสภาพของผัสสะเนี่ยถามว่าผัสสะคืออะไรผัสสะเป็นปัจจัยเกิดอะไรผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาใช่ไหมฉะนั้นสภาพของผัสสะเนี่ยก็บอกสภาพของผัสสะก็บอกมีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะเคยสังเกตว่าอย่างจักขู่สัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานาสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสกายะสัมผัสสะ และก็มโนสัมผัสสะนี่เขาเรียกภาษาหกภาษาหกก็คือภาษาเจตสิกใช่ไหมฉะนั้นภาษาเจตสิกที่ประกอบกับอะไรที่ประกอบกับจิตนั่นเองเปิดไปหน้าห้า้พึงทราบวิธีฉช้ในภาษาวาระบอกว่าภาษาเพราะจัก ส, กสูชื่อว่าจากักสูสัมผัสสะในทุกวาระก็ในทำนองเดียวนี้บอกว่าสัมผัสในไหนสัมผัสสัมผัสในเพราะตา หรือจากสุก็เรียกจากขูดสัมผัสสะเพราะหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามลําดับของผัสสะที่เกิดขึ้นนั้นๆนะจึงเรียกเป็นสัพพัสสะหกจะหมายว่าผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพราะเรียกว่าจากขูดสัมผัสสะโสตสัมผัสสะลาเป็นต้นนี่เรียกชื่ออย่างงี้ติดขัดไ้มแท้จริงก็คือผัสสะนี่แหละผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่ผัสสะที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผัสสะเป็นปัจจัยเกิด เป็นปัจจัยเกิดเวทนาเลยภาษาทั้งเป็นปัจจัยเกิดเลยเวทนาใช่ไหมเขาบอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้จากขู่สัมผัสโสจนถึงกายสัมผัสโสคือจากขู่สัมผัสภาษาโสตสัมผัสภษาเป็นต้นน่ะเป็นอันพระเถ l a กล่าวถึงภาษาทั้ง10มีวัตถุห้าจากขู่สัมผัสภามีสองใช่ไหมภาษาที่ไหนจากขูวิญญาณนะ่ะประเภทที่เป็นผลของบุญแล้วเป็นผลของบาปภาษาในทางหูก็เป็นผลของบุญแล้วเป็นผลของบาป ทางจมูกทางลิ้นทางกายสรุปแล้วก็คือห้าทวารแบ่งออกเป็นผลของบุญและผลของบาปเลยกลายเป็นผัสสะสิบใช่มมีวัตถุห้ามีจักขูวัตถุโสตาวัตถุชิวหาวัตถุกายยวัตถุนั่นแหละทั้งที่เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากยังตัวสังเกตไหมว่าผัสสะทางตาที่เป็นผลของบาป คือการกระทบอารมณ์เช่นไรก็กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีการกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีฉะนั้นในขณะที่เรากระทบอารมณ์หรือเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นแหละในขณะนั้นผัสสะเกิดขึ้นเขาต้องบอกว่าข้อที่ว่าพึงทราว่าผัสสะหกนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวคือบุคคลอาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิญ ญ, ญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะอาศัยตาและรูป แล้วก็อาศัยอะไรอีกจักขู่วิญญาณคือวิญญาณต่างๆพอการประชุมกันของธรรมมาสามอย่างนี้เป็นอะไรเป็นผัสสะอย่างนี้เขาเรียกจักขูส่สัมผัสสะอาศัยหูและเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการ น, นี้เป็นผัสสะภาษานี้เคขาเรียกโสตสัมผัสสะอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการ น, นี้เป็นผัสสะภาษานี้เรียกว่า ฐานะสัมผัสอาศัยลิ้นและรสเกิดชิวหาวิญญาณการประชุมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะผัสสะนี้เรียกว่าอะไรชิวหาสัมผัสอาศัยกายและโพธพะเกิดกายวิญญาณการความประชุมแห่งธรรมสาประการนี้เป็นผัสสะอย่างนี้เขาเรียกกายะสัมผัสอันนี้ภาษาห้านิรุสภาษาห้ใช่ไหมภาษาห้าเป็นอย่างนี้นะทีนี้ภาษาห้ที่กล่าวเนี่ยเพราะว่ามีวัตถุห ในห้านี้เป็นผลของบุญซะห้าเป็นผลของบาปซะห้าเลกลายเป็นสิทธ์เขาเรียกกุศลวิบาอกอกุศลวิบากมีภาษะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติภาษะบัญญัติพ่ออะไรพาะมีตาพาะมีพบุคคลบุคคลอาศัยตาและรูปไงอาศัยตาและสีไงเกิดจากขูวิญญาณเพราะอาศัยเหตุแห่งการประชุมกันของธรรมสามประการนี้ พระบรมศา ส, สาดาจึงเรียกว่าภัสสะแท้จริงนั่นแหละคือภัสสะจริงๆใช่ไหมเพราะศัพท์พคํานี้เนี่ยสภาพอันนี้เกิดขึ้นมานั้นน่ะเกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยไหมถ้าไม่มีตาไม่มีสีไม่มีจักขคูวิญญาณจะมีจักขคู่สัมผัสไหมไม่มีการบัญญัติว่าจักรคู่สัมผัสจะมีได้ไหมไม่มีเห็นไหมว่า เพราะอาศัยอย่างนี้นี่แหละเราอาศัยเห็นไหมคาว่าเราอาศัยอย่างนั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้จึงบัญญัติอย่างั้นนะนะเหมือนที่ผ่านมาหรืออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวเติร์ต ล, อ ด, ตลอดออกไปหน่อยคำว่ามโนสัมผัสโสเนี่ยเป็นพ่อพระเทเรซได้กล่าวถึงพรรษะที่สัมประโยชน์้วยโลกิลิบัตที่เหลือ32เออขอโทษทียีสองขอโทษทียี่2ิบสถูกต้องแล้วอยวไปเขียนสาสองนะเป็น22่ก็ถูก เพราะว่าสามสิบสองนั้นก็คือนับจากกูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณด้วยเพราะอันนั้นเป็นไม่ใช่มโนสัมภัสใช่ไหต้องวิบากที่เหลือถึงจะเป็นมโนสัมภัสได้ไเพราะว่าสภาพของผัสสะนั้นถามว่าได้แก่อะไรบอกผัสสะก็ได้แก่ผัสสะเจสิกที่ประกอบกับโลกย่ยบากสามสิสองนั้นทั้งหมดนะเอาผัสสะในวิบากในผัสสะเนี่ยเออถ้าพิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าย้อนไปดูเวทนา ถ้าอาศัยใจและธรรมารมทั้งหลายเกิดมโนวิญญาณการประชุมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นภาษาภาษานี้เรียกว่ามาโนสัมผัสะมองเห็นอะไรอาศัยใจและธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจแล้วก็มโนวิญญาณคือตัวจิตการประชุมแห่งธรรมสามประการนี้จึงเรียกว่าภาษาภาษานี้เรียกว่ามาโนสัมผัสสะใช่ไหมคือการกระทบทางใจ ข้อที่เราเกล่าวว่าลองไปดูหมวดที่เรียนผ่านมานะีพึงทราบเวทนาหนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวบุคคลอาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเนี่ยไหมเวทนามาสสายตามาอย่างนี้เพราะอะไรตาบุคคลอาศัยตารูปเกิดจากขูวิญญาณ การประชุมของธรรมสามการนี่เป็นภาษาเนื้อภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเพราะภาษานั่นเองเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนืเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเลยพอไปดูในกลุ่มของทางหูเละอาศัยอะไรพราะอาศัยหูและเสียงเกิดโสตวิญญาณการประชุมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเน้ทางหูก็เกิดเวทนาได้ทางจมูกไงอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานณวิญญาณ การประชุมแห่งธรรมสาประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนานะอาศัยลิ้นกระรศเกิดชิวหาวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงจึงเกิดเวทนานี่ทางลิ้นนะอาศัยกายและโพธพะเกิดกายยวิญญาณการประชุมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนานะทางกายเลยอาศัยใจ และธรรมอารมณ์ทั้งหลายเกิดวินมโนวิญญาณการประชุมแห่งธรรมสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนามองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยเริ่มเห็นความเชื่อมต่อกันนี่สมาธิเริ่มเกิดขึ้นดีมากขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอโอ้โหทำไมเรียนยากจังวะยมศรีฟังออกอย่างเงี้ยนี่ในลักษณะของผัสสะเขาบอกธรรมชาติของผัสสะมีการกระทบอารมณ์นะชื่อว่าผัสสะนะ ในกลุ่มของในลักษณะของภาาัสสะในการประชุมพร้อมกันระหว่างประสาทต่างๆกับปัญจรมดังที่ได้กล่าวเนี่ยที่บอกว่าการประชุมนั่นเองจึงเรียกว่าภาาัสสะว่างั้นถ้าจะบอกว่าการกระทบของภัสสะนี้เหมือนอะไรนะรูปต่อรูปกระทบกันเช่นมือสองข้างกระทบกันนั่นแหละลักษณะเช่นนั้น เ, นเหมือนภาาัสสะหรือวัตถุสองชิ้นกระทบกัน ไปตามสภาวะนะ่ะลักษณะเช่นนั้นนะเพราะภาษามีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะนะมีการทําจิตอารมณ์แล้วก็วิ ญ, ญญาณให้เกิดติดต่อกันเป็นกิตใช่ไหมขามีการประชุมกันระหว่างอะไรวัตถุอารมณ์วิญ ญ, ญาณภาษาหนี้ก็ทํากิจในการประชุมนะประชุมอะไรอะ่ะถ้าทางตาเนี่ประชุมตาประชุมสีประชุมจักรคูวิญ ญ, ญาณภาษานั่นแหละถ้าทางจมูกเออถ้าทางหูเขาก็มีมีการประชุมหูประชุมเสียงประชุมโสตวิญ ญ, ญาณ ทางลิ้นแต่ทางจมูกก็ประชุมจมูกประชุมกินประชุมคานาวิญญาณหรือทางกายก็ประชุมกายประชุมผโถภะประชุมกายยวิญญาณหรือทางใจก็คือประชุมใจประชุมธรรมอารมณ์และประชุมมโนวิญญาณนั่นก็คือภาษาก็คือการประชุมของธรรมเหล่านี้นี่เอง มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสรายยตนะเคลเลศลายยตนาสมุทยาเนี่ยเพราะอายยตนะ6มีจักขุสัมผัสศาเป็นต้นจึงเกิดผัสศาทั้ง6อย่างนี้ก็การเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยตาอาศัยการมีอายยตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนาคือจมูกอายยตนาคือลิ้นอายยตนาคือกายอายยตนะคือใจใช่ไหมต้องอาศัยอายยตนะเหล่านี้ตัวผัสศาจึงเกิดถ้าไม่มีอายยตนาเหล่านี้เขาจะเกิดได้ไหมผัสศา นั้นภาษาเนี่ยต้องอาศัยอายตนะเขาเรียกสรายตนะเอางี้ภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมนีชื่นชมภาษิตของพระเถระแล้วก็บอกว่าภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวเรียนถามต่อไปว่าใต้เท้าเหตุปริยายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือว่างั้นน่ะที่จะทําให้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงเนี่ยท่านเถระก็ตอบบอกว่าท่านภาษาลิบุตตว่ายังมีอยู่คูณแล้วก็ได้กล่าว ด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดอายตนะทั้งหเหตุเกิดแห่งอยายตนะทั้งหกความดับแห่งอยายตนะทั้งหกรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอยายตนะทั้งหกด้วยเหตุเพียงเท่านี้และครูอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครนแคนได้มาสู่พระสัธรรมนี้ ถามว่าอายตนะทั้งหคืออะไรแล้วเราคุณบอกเหตุเกิดแห่งอายตนะทั้งหความดับแห่งอายตนะทั้งหข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอายตนะทั้งหคืออะไรตอบว่าคุณอายตนะหกเหล่านั้นคืออายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายอายตนะคือใจเพราะนามรูปเกิดอสราอายตนะจึงเกิด เพราะนามรูปดับสรายตนะจึงดับอริยมรรคมิองแปดเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับอายตนะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์หรือดับสรายตนะนะคุณเมื่ อ, อริยสาวกรู้ชัดอะไร สรายตนะเหตุเกิดยสรายตนะรู้ชัดความดับสรายตนะรู้ชัดปฏิปทาให้ถึงความดับสรายตนะอย่างนี้เมื่อ น, นั้นเธอจะละราคานุสัยบะเถบันเทาปฏิคานุสัยถอนทิถิมานะว่าเรามีอยู่ออกได้ละวิชาได้โดยประการและทั้งปวงยังวิชาคืออาหาตมรรคให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่มใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ถามว่าอายตนะนี่เป็นสัจจะอะไ ร, ร, ร, ราอายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิน้นอายตนะคือกายอายตนะคือใจถามว่าเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสมุทยัยมีรสหรือมา้กว่าเป็นทุกขสัจเมื่อเป็นทุกขสัจแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะกําหนดรู้ใช่ไหม เป็นสิ่งที่ควรจะกาหนดรู้ถ้าไม่รอบรู้อายตนะนี้เสียหายแม่ว่าเสียหายมากอายตนะเขาเรียกว่า6อย่างนี้เขาเรียกว่าอัจฉติยาตนะเขาเรียกอายตนะที่เป็นภายในสรายตนะมีจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงมัณนายตนะคืออายตนะคือใจนั่นแหละธรรมชาติใดทรงไว้ซึ่งวัฏฏสงสารที่ยืนยาวฉะนั้นน่ะธรรมชาตินั้นชื่อว่าอายตนะเขาบอก ถ้ายังมีอายตนะคื อ, อตาอายตนะคือหูอา er, ยตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นคือกายและอายตนะคือใจเนี่ยแปลว่าวัตทุกยาวนานไหตัวนี้เป็นตัวทรงวัตฏาสงสารให้ยืนยาวนานนะตัวอายตนะ ต, ตัวนี้อาชิติกาอยตนะเนี่ยถ้ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วอายตนะยืนยาวนี่ยืนยาวแน่ไม่ต้องกลัวหรอกเป็นตัวเชื่อมเพราะเป็นตัวและเป็นตัวต่อ อาญาตนะบางทีบางแห่งท่านแปลว่าเป็นที่ประชุมเป็นที่ชุมนุมของการทําบุญให้มีการทําบุญและทําบาปเกิดขึ้นเวลาบุญเวลาเขาจะมาทําบุญกันเขามาทําที่ไหนเขาก็มาทําในอาญตนะในทางตานี่แหละที่เชื่อมต่อที่ตรงตานี่แหละเวลาเขาจะมาวางแผนกันในการที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเขาเอมาวางแผนกันที่ตาเนี่ยเลยโยมคทีนี้ถ้าเราจะเขาจะมาวางแผนกันไปพ้นลรอ เราก็จะมาวางแผนกันที่ตานี่แล้วะกันอย่างมเขาต้องมาวางแผนกันอย่างดีเลยว่าเตรียมสีอย่างอย่างไรอ่ะเตรียมใส่ชุดอย่างไหนเตรียมเอาวัตถุอาชิ้นไหนไปเนี่ยเขาก็จะวางแผนกันที่ตาะะ น, นี่แล้วว่างั้นเลยในกลุ่มของโทศาสตร์ถ้าจะมาวางแผนกันในกลุ่มของผู้ที่ศึกษามาดีบอกจักรคูทวาริกจิตใช่ไหมจิตที่เกิดในจักรคูทวารในอายตนะเนี่ยที่เขาจะมาเชื่อมต่อในตรงนี้ได้นั้นถามว่าเขามากันได้เท่าไหร่บอโอ้โหมากันเยอะเลย มาพวญญาอะไรจักูวิญญาณโสตาวิญญาณขานาะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณก็มามาแล้วสัมปติชนะสันติและหน้าวัวทนันามาไม่ยอมเตยมาด้วยชาวนะก็ตามมาใช่ไห ม, ม<า>แต่ว่าชาวนะที่มานี่โอ้โหถ้าชาวนาที่เป็นบาปมาแล้วโอ้โหโลภะมาเป็นยังไงยึดหมดอะไรก็จะเอายังไงเวลาเข้าไปหนะ้าบ้านไหนที่ตรงไหนเห็นชอบใจหมดยึดหมดแต่โทสศามาก็ทําลายอย่างเดียวอย่างโมหะมาก็ไม่เคยรู้ตามความเป็นจริง เขาต้องบอกว่าอาญาตนะนั้นเป็นแหล่งประชุมเป็นที่ชุมนุมของจิตและใช่ไหมเวลาจะทําบุญปารอบต่างๆปารอสีใช่ไหมเห็นสีสีนี้เออถ้าทำบุญก็ดีบางคนนี้พอเห็นสีนี้บาปเกิดเลยเนี้ยบางคนสีนี้บุญเกิดนี้เสียงเสียงนี้บุญเกิดเสียงเสียงนี้บาปเกิดกลิ่นเลิ่นนี้บุญเกิดบาปเกิดเนี่เขาบอกเป็นที่มามาทำเป็นที่พิธีบุญและบาปจะมาเกิดกันที่อาญาตนานี่แหละ พอมีการกระทบไงหรือการทําให้วัฏทุกขยาวนานเป็นลักษณะนะเคยสังเกตไหมว่าอายตนะเกิดขึ้นวัฏทุกจะยาวนานนะถ้าต่างงอกออกมาคิดไหยว่าจะต้องทุกข์อีกแล้วหูงอกออกมาจะโหมกงอกถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้งอกออกมาก็แสดงให้เห็นเห็นว่าความทุกข์ยาวนานแล้วมีอายตนะเป็นอย่างนี้นะมีอายตนะเป็นอย่างนี้ในอายตนะเหล่านั้นเขาเรียกวิก ในธรายตนะบ่าอายตนะทั้งหมดที่กล่าวในคําทั้งหลายมีอะที่ว่าจากขายตนะคนนั้นที่กล่าวไว้แล้วในขันธนิเทศอายตนะนิเทศว่างั้นเออถ้าพิจารณาว่าสภาพของอายตนะเนี่ยอายตนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสภาพของอายตนะเป็นไปถามว่าและปัจจัยของอายตนะนี่คืออะไรจากขายตนะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมีอะไรเกิดอายตนะจึงเกิดเพราะอะไรเกิดอายตนะจึงเกิด นามรูปใช่ไหมถ้าไม่มีตัวนามและรูปเนี่ยอายตนะจะเกิดไหมถ้าไม่มีนามและรูปไม่มีขันห้าเนี่ยอายตนะจะไม่เกิดทีนี้พอมีขันห้าปรากฏเกิดขึ้นตัวปฏิสัมธิสมมุติยังไงปฏิสัมธิขณะคือการเกิดขึ้นกันของนามและรูปเกิดขึ้นมาแล้วต่อมาก็ตาปรากฏเจมูกปรากฏลิ้นปรากฏกายปรากฏอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพ้นนามรูปเกิดอายตนะก็เกิด ถ้าจะพูดถึงในลักษณะที่บอกว่าการที่อายตนะทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นั้นเนพราะอาศัยอะไรบอกเพราะอาศัยนามและรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าจะพูดถึงตัวอายตนะนี่ก็เป็นทุกข์นะถ้ารู้จักเหตุเกิดของอายตนะดีก็ต้องรู้จากนามรูปดีวะอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักเหตุเกิดของนามรูปก็ไม่รู้จักอายตนะงั้นสภาพของอายตนะเขาจึงบอกว่าเป็นแหล่งชุมนุมเป็นแหล่งทําให้วัตทุกข์นั้น ยาวนานด้วยอันนวันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วนในการศึกษาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของคาว่าสัมมาทิฏฐินั่นคําว่าสัมมาเนี่ก็แปลว่าโดยชอบด้วยดีก็หมายถึงไม่วิปริตและไม่คลาดเคลื่อนใช่ฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นทิฏฐินั้นที่มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงเยพราผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้อะไรการที่พระพุทธเจ้าได้พัฒนามว่าสัมมาสัมพุทธโธนั้นเนี่ถ้าไปดูในความหมายที่บอกว่าสัมมาก็แปลว่าโดยชอบหรือด้วยดีหมายถึงไม่วิปริตไม่คลาดเคลื่อนเหมือนกันส่วนคําว่าสัมพุทธโธนั้นก็แปลว่าทรงตรัสรู้ใยเยธรรมก็คือธรรมที่ควรรู้ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือได้ด้วยตนเองนั่นเองถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสรู้อะไรบอกทรงตรัสรู้อภินัยยธรรมตรัสรู้อภินัญยธรรมก็คือธรรมที่ควรรู้ อะไรเนอะที่พระพุทธเจ้าควรรู้ยิ่งอริยสัจทั้ง4ี่คือทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคควรรู้ยิ่งไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานด้วยพยานอันวิเศษยิ่งการที่พระองค์ได้ตรัสรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานนั้นนะ่ะตรัสรู้อย่างนั้นที่เรียกว่าตรัสรู้เยยธรรมด้วยหรือเรียกอีกอย่างคือตรัสรู้อภินิยธรรมคือธรรมที่ควรรู้ยิ่งและทรงตรัสรู้ปรินยยธรรมเยนยะ้อธรรมที่ควรกําหนดรู้ทั้งหลายหมายถึงทุกขสัจทุกขอริย ก็ ต, ต, ตรัตรู้ปหาตรัพธธรรมคือธรรมที่ควรละก็ได้แก่ สมุทัยได้แก่ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาจัดว่าเป็นเหตุที่เป็นประธานของความทุกข์ที่วิจิตพิสดารนะ ห, หรือเป็นความวิจิตของกรรมก็ได้ ต, ตรัสรู้สัจิกาตปธรรมคือธรรมที่ควรกระทําให้แจ้งหมายถึงนีโรธก็ได้แก่ที่ดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็ทรงตรัสรู้ภาเวตปธรรมคือธรรมที่ควรเจริญก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8คือหนทางที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์ทีนี้ท่านถึงบอกว่าดูก่อนพรามธรรมที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้รู้ยิ่ง แล้วทำที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแล้วทำที่ควรละเราก็ได้ละแล้วทำที่ควรทำให้แจ้งเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้นามว่าพุทธะนี่การที่พระสารีบุตรอั克拉สาวกเบื้องขวาได้นำเอาสัมมาทิฏฐิมาตรัสหรือมาบอกกล่าวกับอริยะสาวกที่ปราศนาจะรู้เพื่อต้องการทำความเห็นให้ถูกต้องเห็นความเห็นตรงประกอบด้วยความเบื่อมใสไม่กรอนแคลนเข้ามาสู่พระสัตธรรมนั้นท่านพระสารีบุตร ตรัสในเรื่องของการแสดงสัมมาทิฏฐิสูตรในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้นกคทรงแสดงวาระต่างๆเยอะไหมเริ่มตั้งแต่กรรมปะฏหวาระคือวาระที่หนึ่งเป็นต้นไปเยอะไหมแต่ละวาระนั้นภาษาเรีตรแสดงอริยสัจสองครั้งแบบย่อแล้วก็แบบพิสดารถ้าแบบยอ่อนั้นหมายถึงการตรัสแก่บุคคลในกลุ่มของอุคติตัญยูท่านเข้าใจเย่ะไหมถ้าหากใน ในการแสดงแบบนัยยพิสดารก็คือในกลุ่มของนัยยะและก็ในกลุ่มของวิปจิตันยูและก็นัยยะบุคคลเว้นปธาปรมะไปพวกเราอยู่กลุ่มไหนใช่ไหมยมเธอยูกลุ่มไหนบอกยังไงยังไงขอรังรังท้ายนัยยะบุคคลเันไว้คือบุคคลมีอัธยาศัยที่จะตัดสู้ได้แต่การตัดสู้ในภพไหนต้องเอาภพนี้ไปทำไมใหญ่ภพนี้ละครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของอายตนะใช่ไหมสรายาตนะวาละต่อไปขึ้นในหน้า ้อที่534ข้อที่125นามรูปวาระเนะี่ยภิกษุเหล่านั้นได้กาเรียนถามว่าใต้เท้าครับเหตุปริยาอย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือที่จะทำให้อริยาสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใส่ไม่คลอนแคลนเข้ามาสู่พระสัธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรก็บอกว่า ยังมีอยู่คุณแล้วก็ต่ อ, ต, อต่อไปบอกว่าท่านพาาระตาลีบุตรตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วก็ได้ตรัสเดีด๋ได้พูดต่อบไปวาอาวุโสด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดนามรูปเหตุเกิดนามรูปความดับแห่งนามรูปรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งนามรูปด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเหมือนถูกต้องมีความเหมือนตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคลนได้มาสู่พระสัทธรรมนี้แล้ว อันนี้เป็นการตรัสเป็นการบอกแบบย่อหรือพิสดารอันนี้เป็นการบอกอริยสัจโดยย่อนะืรู้ชัดอะไรนามรูปการรู้ชัดนามรูปนี่เป็นการให้บอกรวดนามรูปนี่เป็นทุกข์สัจนะรู้ชัดอะไรอีกจะเนี้ยเหตุเกิดนามรูปนี่คือสมุทยัยสัจจรู้ชัดความดับแห่งนามรูป อันนี้เป็นนิโรธาสัจจะรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งนามรูปอันนี้เป็นมัคคสัจจะด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัจ ธ, ธรรมนี้แล้วก็ถามว่านามรูปคืออะไรเล่าละคูณบอกว่าเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งนามรูปและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งนามรูปนั้นคืออะไร ท่านภาษาหารืบุตรถามเองตอบเองนะบอกว่าเวทนาสัญญาเจตนาผักษะและมณสิการทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่านามมหาภูทรูปสี่และรูปอาศัยมหาภูทรูปสี่คืออุปาทยัยรูปนี้เรียกว่ารูปรวมทั้งนามทั้งรูปนี่แหละคุณเรียกว่านามรูปตรงนี้พิจารณาให้ดีนะว่านามในที่นั้นท่านยกมาเวทนาสัญญาเจตนะ ภาษาแล้วก็มนัสิการศึกษามาเรียงเวทนาสัญญาเจตนาภาษาและมนสิการศึกษาเรียงอันนี้เป็นนามเนะืรูปคือมหาพูทธรูปและอุปาทยายรูปรวมสองอย่างนี้ด้วยกันเรียกว่านามและก็รูปนามรูปในที่นี้กับนามรูปในปฏิจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแตกต่างกันเล็กน้อยพัลักษณะของนามอีกอย่างลักษณะของรูปก็อีกอย่างนะแล้วก็บอกว่าเมื่ออริยส า, าวก เพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับอริยามรรคมีองค์แปดเท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่ง น, นามรูป คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดนามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งนามรูปรู้ชัดพ่อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งนามรูปอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะระราคาโนใสัยถอนทิฏฐิมานะว่าเรามีได้ละอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชชาให้เกิดขึ้น แล้วเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอวุโสอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่ในธรรมไม่ครอนแคนได้มาสู่พระสัต์ธรรมนี้แล้วตรงนี้ไปศึกษาในเรื่องของคำว่า น, นามนะคำวัา น, นามนามในศัพท์นั้นเขาแปลว่า น, น้อม คำว่านามคำนี้นะเนี่ยันหมายถึงการน้อมถามว่านามมันจะในที่นั้นนะ่ยคือการน้อมนั่นเองธรรมชาติใดน้อมไปในอารมณ์ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่านามเป็นชื่อของเจตสิกธรรมเนะืน้อมไปสู่อารมณ์แต่ถ้าหากสภาพของรูปเหรรูปนั้นเป็นธรรมชาติที่จะต้องสลายไปเพราะปัจจัย ที่เป็นปฏิปักษ์มีความเย็นและความร้อนฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปใช่ไหมฉะนั้นนามด้วยรูปด้วยรวมกันนั่นแหละจึงเรียกว่านามมรูปนามในที่นี้ถ้าไปดูลักษณะของเขาก็บอกมีการน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะลักษณะของนามนั่นจะต้องมีการน้อมเข้าหาอารมณ์เนีเป็นลักษณะและในขณะเดียวกันก็ต้องมีการประกอบกับวิญ ญ, ญาณ น, นะคือประกอบกับวิญ ญ, ญาณทางตาประกอบกับวิญญาณทางหูประกอบกับวิญ ญ, ญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจ ฉะนั้นในขณะที่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเกิดขึ้นนั้นน่ยในกลุ่มของนามธรรมนั้นเขาสรอรคตเกิดร่วมเขาสัมบยุทธ์ไหมก็บอกเขาสัมบยุทธ์ด้วยเกิดร่วมด้วยนี่เป็นอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะการน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็มีการประกอบกับวิญญาณด้วยนะถามว่าเมื่อประกอบกับวิญญาณแล้วเนี่ยโดยอาการที่เป็นเอกุ ป, ปาะทะตาไม่เกิดขึ้นพร้อมกันกับวิญญาณไหม สรุปแล้วนามนี่เกิดพร้อมกันกับจิตใช่มถ้า ต, ตัวผัสสะนี่เป็นเจตสิกใช่ไหมผัสสะแล้วก็มีอะไรผัสสะขอโทติีเวทนาเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะแล้วก็มนาจิกานเวทนาเวทนาวาลานี่เรียนไหมยังธรรมชาติที่สวยอารมณ์หรือสวยรสแห่งอารมณ์สัญญา สัญญาคือธรรมชาติที่จำมารมณ์ใช่ไหมจำนิมิตเครื่องหมายจำรูปจำเสียงจำกลิ่นถ้าเจตนาเนี่ธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนและชักนำสมัมยุญตธรรมนี่ถ้าภาษาก็คือธรรมชาติที่กระทบอารมณ์นี่มานาสิกานี่ธรรมชาติที่มุ่งและนำสมัมยุญตธรรมสู่อารมณ์ใช่ไหมนี่มานาสิกาถ้าพูดถึงมานสิการนี่บางคนบางกลุ่มน้อมไปถึงพิจารณาไปหลายอย่างนะเพอมานาสิการมีตั้งหลายอย่างปัญจทวารวชนะ เป็นมนสิการส่วนหนึ่งไหมมนสิการส่วนหนึ่งใช่ไหมในการที่จะมนสิการอารมณ์อย่างนั้นเขาเรียกเป็นตัวอาวัชนะเป็นมนาสิการไม่ได้เป็นตัวเ ร, เ, ร เ, ร เ, รเริ่มต้นในการที่ขึ้นสู่วิถีจิตเช่นวิถีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจการที่จะเริ่มต้นในการปารบรูปปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรสปารบสัมผัสการปารบการอาวัชนะครั้งแรกมีถามว่าใครทำปัญจานี่แหละเขาจึงเรงงียกว่ามนสิการ อย่างนั้นเขาเรียกว่าวิถีวิถีปาทกมนสิการหรือเขาเรียกมนัสการอะไรเป็นมนัิการที่เริ่มให้วิถีเป็นไปวิถีปาทกามนัิการเนี่ยคือเป็นการมนสิการที่เริ่มต้นในการที่จะทำให้วิถีเป็นไปโอ้ทพนาดีเป็นมนสิการไหมนี่เขาเรียกชาวนาปาทกามนัสการเหมือนกันเป็นมนัิการที่ทําให้ชาวนะเป็นไปส่วนมนสิการเจตสิกนี้เป็นอารามณปาทกามนัิการมนัิการ เพื่อให้อารมณ์เป็นไปนี่มันศการไปตามอารมณ์มุ่งและนำสมยุติธรรมไปตามอารมณ์นั้นนั้นมนุอมองตรงนี้จะแม่ยกตัว อ, อย่างยากลำบากกันนีย มองตัวอย่างไม่เห็นกําลังพูดไปคิดไปไม่รู้จะยกอะไรเอาอย่างนี้การตารบอารมณ์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าให้มานักติการในการปารบอารมณ์นะตารบในการที่บอกว่าในการที่จะน้อมหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาธรรมอารมณ์ทั้งหลายในอดีตและในอนาคตต้องตารบไหมนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็ปารบเลยเออเรามานี้เราอยู่ที่บ้านนะเราลืมอยู่ชิ้นดนลืมของอยู่ชิ้นหนึง่งต้องปารบอารมณ์ปารบวัตถุนั้นก่อนนะ สัญญาก็ต้องจํายู่ไเนี่ยคือกลุ่มของนามในเจะน้อมไปหาอารมณ์บางทีตัวยังไม่ไปแต่จิตน้อมนามน้อมไปก่อนอยู่ไหมลักษณะเช่นนี้เราเรียกนามเนี่ยลักษณะของนามในน้อมไปสู่อารมณ์เป็นอย่างนี้ว่าไง ม, มีการไม่แยกกันกับจิตเป็นอาการปรากฏนะนี่เป็นอยังไงกลุ่มของนามมาทำทั้งหลายเนี่ยไม่มีการแยกกันกันกนกบจิตเลยคือไม่ได้แยกกันกับวิญญาณเลยว่าไงเด้อ วิญญาณเกิดนาำเกิดวิญญาณดับน้ำดับเลยทีเดียวว่านั้นนะทีนี้ส่วนรูปนั้นมีการสลายแปรปวนเป็นลักษณะสลายไปเพราะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์นะรูปนี้จะกลุ่มของหมหาพูทธรูปกลุ่มของดินน้ำไฟลมกลุ่มพวกนี้คือมหาพูทธรูปส่วนสีกลิ่นรสโอชานั้นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มของอุปาทายรูปแบบนั้นเป็นกลุ่มของอุปาทายรูปจากครูปศาสาตร์นีเป็นอุปาทายรูปโสตประสาสตร์านประสาสตรชิวหาประสาสกายประสาสตรกลุ่มพวกนี้เป็น อุปาทายรูปนะีในอุปาทายรูปนี่เขาอาศัยอะไรอาศัยมหาพูทธรูปแบบนั้นอาศัยมหาพุทธรูปเป็นไปเจ๊งไหมมหาพุทธรูปเกิดอุปาทายรูปเกิด ก, ก็ก็มีเนี่ยเหมือนลักษณะของสีเนี่ยสีนี่จะต้องอาศัยดินน้ําไฟลมระชุมกันยังมีสีใช่ไหมใช่สีจะเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่ได้สีขาวหสีที่เรากําหนดเราเห็นกันอยู่เนี่ยที่เป็นอย่างนั้น งั้นแยกกันให้ออกหัทยาวัฏทูลนี่เป็นมหาพุทธรูปด้วยอุปาทายรูปบอกเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปอาศัยมหาพุทธรูปอนี้เพราะมหาพุทธรูปเป็นรูปใหญ่นี่ลักษณะนี้มีการสลายไปเพราะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์แล้วมีการแยกออกจากกันได้เป็นกิจรูปแยกออกจากกันได้เป็นอภิญากตรธรรมไหมบอกเป็นรู้อารมณ์ได้ไหมรูปรู้อารมณ์ไม่ได้รับอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมสภาพของรูปนี่รู้อารมณ์ไม่ได้เลยไตรมา ถ้าพวกเรานี่มาทั้งรูปทั้งนามใช่ไหมมาเนี้ยรูปก็มานามก็มาถ้ารูปมาทิ้งเขาไว้ไปแต่นามเนี่ยยุ่งเลยเนี่ยโลมไม่รู้ว่าลมเรียกก็ไม่ตื่นพวกเมล็ดโลกแล้วก็ไม่มีใครต้องกานแต่ไม่แน่อาจจะมีคนฆ่าบางแห่งก็จะมีการแย่งรูปที่ไม่มีวิญญาณกันมีการแย่งกันเพราะถ้ารูปรูปนี้ไว้แล้วในธุรกิจดีอลไรก็ไว้ <c oughs> แต่จะเอาไว้แล้วโอ้ยเดี๋ยวเสียเนื้อจะไหลเข้าบ้านนี่ก็ไม่ไว้แล้วเพราะศพคนตายที่ยังหาญาติไม่เจอยังเหลือเยอะเราอยากร้องกันไปบางทีบางทีตายแล้วไม่มีใครอยากเก็บศพเลยนะ mm hmm. เก็บไปแล้วก็ไปไว้ที่ตู้แช่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องเผาในที่สุดจริงก็หา หาคนไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่ามีวิญญาณไปปราศจากแล้วเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นอย่างนั้นไม่ต่างอะไรกับซากซากไสลบแล้วก็คือจะต้องกลับมาทิ้งซากในแผ่นดินกันอีกนานเหมือนกันกะว่าจะมาทิ้งอีกกี่ครั้งเนี่ยองตุ้ยเนีน่ทิ้งจนคนคนบอกจะเบื่อเนะบอกว่าโอ้ทำไมามาทิ้งแนตะ่ผู้ที่มีตาดีทั้งหลายก็จะบอกว่าทำไมามาบ่อยอย่างเี้เราเนี่ยแบบนั้นเดี๋ยวมาอาจจภาพนั้นเดี๋ยวมาอาจจภาพนี้พระองค์เห็นก็ยิ้มเลยนะ มองไมมาอีกแล้วผมมองมาปัจจุบันในชาตินี้มีความถือตัวถือตนทะนงตนสูงเลยนะว่ากนะันน่ยชาติที่แล้วยังขอเขาแงกอยู่เลยว่าไหว่าชาตินี้เพราะชาติที่แล้วอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมเพราะเกิดเป็นยาจบนี่เพราะอ่อนน้อมถ่อมตนได้เกิดในตระกูลสูงใช่ไหมเจตนาบุญที่ทนะนะํานั้นน่เพราะเกิดในตระกูลสูงมาหน่ามากซะอีกแล้ว <c oughs> เหนือเก่าหลงต่ําอยู่แล้วเนะี่ย เป็นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในเร็วมีพามคนหนึ่งอายุร้อยยปีปวดว่าใครไปก็ต้องไหวเราใครไปก็ต้องไหวเราพระศาสด า, า, า, ายิม้มดูการพลิกศรีทั้งหลายมไม่รู้ว่าจะเป็นทารกอะไรก็ไม่รู้ว่างั้นนะือยังวัวทนองตนอยู่นั่นแหละก็ไม่ ร, มมรู้จะเป็นทารกอะไรก็ไม่รู้ เ, เ, เนี่ยเสียเลยี่มีวิญญาณเป็นเหตุใกล้แนะน้ารูกนะ นั่นแหละมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ชันวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดวิญญาณดับนามรูปก็ดับทีนี้ไปดูไปทําความเข้าใจอีกอย่างในทางด้านของนามประรูปเนี่ยลักษณะของนามรูปเนี่ยเมื่อนามรูปเนี่ยนะลักษณะของนามรูปเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าเขาเกิดร่วมกับการกัปปะลายบอเกิดร่วมกันกับวิญญาณนามรูปนี้นะเมื่อเกิดร่วมกันกับวิญญาณแล้วเนี่ยถ้าวิญญาณ เกิดแท้ที่จริงแล้วเหตุเกิดของเหตุเกิดของน้มเนี่ยหรือความดับของน้มเนี่ยท่านวิไปดูหน้าที่1 2อนิบหาทีพนนาในเรื่องของน้มรูปเนี่ย น, ยนมีลักษณะน้อมไปเป็นลักษณะคือการน้อมไปสู่อารมณ์นั่นเอง ลักษณะของนามนะมีการน้อมไปสู่อารมณ์นั้นเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเวทนาสัญญาเจตนาภักตาและก็มนัิการเนะี่ยธรรมชาติของนามเหล่านี้มีการน้อมไปสู่อารมณ์นั่นเองเป็นลักษณะดังส่วนรูปนั้นมีการสลายให้ไปเป็นลักษณะแต่ว่าในวาระแห่งวิถีฐารณัยของนามรูปนั้นพึงทราบเวทนาได้แก่เวทนาขันใช่ไหมเออถ้าหากว่าเดพิสดารเนี่ยถามว่าเวทนานั้นเป็นขันอะไรบอก เป็นเวทนาขันเมื่อเป็นเวทนาขันคําว่าขันคํานั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มแปลว่ากองอยู่ไหมอ่าขันที่เป็นปัจจุบันมีไหมขันที่เป็นปัจจุบันมีที่เป็นอานาคตที่เป็นอดีตมีที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเร็วปราณี่งไกลใกล้ยู่ไหมลักษณะขันอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เรียกเป็นกลุ่มของเวทนาขันถ้าพูดถึงในลักษณะของเวทนาขันนี่ก็าบอกเห็นชัดเพราะเวทนาขันถ้าว่าโดย เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนี่ก็าเป็นเขาเป็ น, าปนอารมณ์กรรมฐานได้ยริงๆในที่นี้ก็เหมือนการสามารถที่จะกำหนดมาเป็นสัจจะได้ก็เป็นทุกขสัจใช่ไหมเวทนาขันนี่หรือถ้าพิจารณากลุ่มของขันห้าเนี่ยก็บอกเวทนาขันเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาเนี่สามารถที่จะกำหนดแต่การที่จะไปรอบรู้อย่างนั้นได้ก็ต้องสามารถที่จะรู้จักเวทนาขันเป็นอย่างดี กลุ่มของสัญญาก็ได้แก่สัญญาขันเพราะพิจารณาอย่างนี้ก็สัญญาขันก็เป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวปราณีตไกลและใกล้เออพิจารณาอย่างนี้เห็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาหรือเจตนาผัสสะมนาสิการเป็นขันอะไรบอกเป็นสังข์งขาละขัน เป็นอดีตได้ไหมอนาคตได้ไหมปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเร็วปราณีไกลใกล้ลืมไม่ยังพิจารณาเวทนาขันที่เป็นอดีตพิจารณาอย่างไงเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารขันในพบก่อนดับไปแล้วเรื อ, องดับไปแล้วใช่ไหมไม่มาสู่ในพบนี้เลยนะในสิ้นสุดลงไหนตรงจุดติกิตพอได้ปฏิสัมพนธ์มาเวทนาเก่าๆ เ, เหล่านั้นล่วงหายไปหมดในพบนั้นแล้ว ไม่มีสืบต่อมาเลยสักเวทนาเลยเนยะไม่มีโดดข้ามพบมาเลยแนมะ้แต่เวทนาไม่มาสัญญาไม่มาสังขารละขันก็ไม่มาอนะ่นใช่ไหมไม่มาเลยนะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารละขันในปัจจุบันนภพนี้ก็จะดับในปัจจุบันนภพนี้ไม่ได้ไปถึงในภพต่อไปก็จะไปดับลงตรงจุดตินั่นแหละเึ้นลงตรงนั้นแหละไม่ได้โดดข้ามไปในภพต่อไป หรือถ้าจะพูดในระยะใกล้ระยะเมื่อสิบปีก็ว่าไสิบปีแรกเวทนาสัญญาสังขารในสิบปีแรกดับไปในสิบปีแรกด้ยง ไม่ได้เลื่อนมาใน10ปีหลังว่าไงเลยหรือถ้าอย่างกลุ่มที่ลักษณะของเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารละขันซึ่งไปกลุ่มของเจตนาภาษาแล้วก็ม น, นุิยการนี่จัดเป็นสังขารละขันฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยเออพิจารณาอย่างนี้ว่าในกลุ่มของบุคคลที่อายุมากๆเนี่ยถ้าดูในกลุ่มของถ้าใน บอกว่ากลุ่มน้ำขันเหล่านี้ที่เป็นไปในระหว่างที่อายุ4ี่สิปีห้าสิปีเขาก็ดับไปแล้วใน5้าสิปีนั้นแล้วก็ไม่ได้เลยจาก50ปีนั้นมาถ้าในวิสุทธิมรรคเขาจะใช้1ิปีแล้วก็มายี่สิปีเป็นต้นแล้วก็มาจัดเป็นที่แรกจริงๆท่านจัดตามลำดับวันบางทีก็ไล่ย่อลงไปย่อลงไปนะ จนเหลือตามระดับวันยกตัว อ, อย่างบางทีก็แต่ท่านทั้งหมดเลยนะระบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในเวลาในเวลาเช้าเนี่ยใช่ไหมก็ไม่เลยมาถึงในเวลาเที่ยงอย่างนี้เป็นต้นจากเที่ยงก็ไมถึงเย็นตัว น, นี้เป็นต้นการตรึกการพิจารณาอย่างนั้นนั้นเพื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้องและเห็นความเป็นจริงของไตรลักษณ์ในการดับซึ่งเขาทํากันเป็นจริงเป็นจังในการพิจารณานีอันนั้นก็อาไว้ในการศึกษาที่ละเอียนอ่อนในการ ที่จะจับในการที่ไปนั่งพิจารณาเหมาะแก่บาบงคนที่ชอบคิดเนยนะเหมาะจริงๆนะถ้าพิจารณาอย่างเงี้ยหนักเข้าหน้าเข้ า, า, ขาก็จะเห็นว่าดับไปหมดจริงๆเห็นพอจริงๆ ผ่านการจากการพิจารณาระหว่างภพระหว่างชาติมาใช่ไหเอาอาดีตภพปัจจุบันภพอนาคตภพเนี้ยเป็นไปอย่างนั้นนั่นคือพิจารณาในกลุ่มของขันถึงจะมีธรรมะแม้อย่างอื่นที่ส่งคล้อเข้าด้วยสังขารละขันก็จริงอยู่แต่ธรรมสามอย่างนี้มีอยู่ในจิตที่มีพลังต่ำทุกดวง เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนศสิการเนี่ยในจักขุวิญญาณมีไหมที่มีเจตที่มีจิตที่มีเจตสิกประกอบน้อยที่สุดพลังต่ำที่สุดเนี่ยก็มีในขณะที่ตาเห็นสีเนี่ยจักขุวิญญาณ จากคุญญานไปทำหน้าที่ในการที่ทำกิจเห็นเนี่ยนะทำทัศนกิจในการเห็นในขนาดนั้นน่ยก็จะต้องมีผัสสะก็จะต้องมีมนสิกการจะต้องมีเจตนาจะต้องมีสัญญาต้องมีเวทนาก็คือมีกลุ่มของนามนี่แหละเะนั้นแม้แต่แม้แต่จิตที่มีพลังต่ำมากที่สุดเขาก็สัรงคตรหรือสัมปยุทธ์ด้วยประกอบด้วย น, นั่นเองนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิกการเนี่ย จึงเป็นเจตสิกรหรือจึงเป็นนามที่สอนละคดกับจิตทุกดวงเลยเพราะฉะนั้นในนามรูปวาลาเนี่ยพระเทละแสดงสังขารละขันไว้ด้วยอำนาจเทิงธรรมสามอย่างเหล่านี้นั่นเองหมายความว่าอย่างไรพูดถึงขันถ้าพูดถึงขันก็คือว่าเวทนาขันแสดงไหมแสดงสัญญาขันแสดงไหมแสดงสังขารละขันนำมาแสดง